สารบัญโปรดอ่านตรงนี้ก่อนก่อนเหยียบบันไดขั้นแรกประกอบด้วยคนธรรมดาเรื่องสะดุดใจสิ่งที่ต้องรู้ให้ได้ก่อนตายความวุ่นวายหลังพุทธปรินิพานก่อนปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้แก่ศีลความเห็นถูกตรงทำความเข้าใจสติปัฏฐานสี่เบื้องต้นประกอบด้วยหมวดกาย หมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมความตั้งใจสำรวจและประเมินตนเองประกอบด้วยหลักในการประเมินความคืบหน้าหลักในการตรวจสอบทิศ ท, ทางตั้งเป้าแรกเดือนที่หนึ่งราวเกาะของมือใหม่อานาปานสติอย่างย่อสำหรับมือใหม่วันที่หนึ่งพยายามตั้งสติวันที่สอง รู้เท่าที่สามารถรู้วันที่สามราวเกาะในที่ทำงานวันที่สี่ยื้อกับโลกภายนอกวันที่ห้าล้าและเบื่อวันที่หกนับหนึ่งใหม่ด้วยพละห้าวันที่เจ็ดสององค์แรกของโพชชงปรากฏวันที่แปดองค์ที่สามของโพชชงปรากฏวันที่เก้าเริ่มหัดจงกรม วันที่ส0บวิ่งจงกรมวันที่ส1อ็ดองที่สี่กับห้าของพชนชงปรากฏวันที่ส2องถึงส0สความต่อเนื่องคือความก้าวหน้าวันที่ส1ออีกระดับของการเห็นจิตส่งออกนอกและเก็บเข้าในสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองสุขทุกข์เหมือนฝันไป การเจริญสติรู้สุขทุกโดยสรุปวันที่หนึ่งติดสุขวันที่สองทุกอันใหญ่หลวงของสิ่งมีชีวิตวันที่สเจริญสติระหว่างสมไขวันที่สแผ่เมตตาด้วยคำพูดวันที่หถึงสิเมตตาขยายผลวันที่1 1อถึงสิเรื่องเศร้าวันที่21ออยากได้มรรคผล วันที่22ความต่างระหว่างปิติกับสุขวันที่23าถึง27มองต่างจากชาวโลกวันที่28ฝันสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่สองเดือนที่สามนานาสภาวะจิตการเจริญสติรู้สภาวะจิตอย่างย่อสำหรับมือใหม่วันที่หนึ่งพักร้อนวันที่สอง ปรีกวิเวกวันที่สถึง7บ่มกำลังวันที่8ชฌานวันที่9นิมิตสมาธิวันที่ส0ราคะของจริงวันที่11ถึง22สองความพยายามหวานล้อมวันที่23สอนภาวนาวันที่24สถึง30เถียงจากคนละโลกวันที่ส1เอ็ด วันลาสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่สามเดือนที่สี่ฐานที่มั่นของอุปทานหลักการเจริญสติรู้ขันห้าวันที่หนึ่งถึงสามสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะวันที่สี่ไม่ใช่ตัวตนก็ทำตามอำเภอใจได้แล้ววันที่ห้าปฏิบัติแบบไหนในเวลาใด จึงเรียกว่ารู้อุปาทานขันเกิดดับวันที่6 1ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดวันที่17ขันอื่นมีอีกไหมวันที่ 18-25 ถึงาทำไมถึงยังติดข้องในขันวันที่2 6สถึงมุมมองใหม่เกี่ยวกับสมาธิและอุเบกขาสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่สเดือนที่ห้า มุงหลังคากาันฝนรั่วรถหลักการเจริญสติรู้อายตนะหวันที่หนึ่งวันแห่งการเปลี่ยนแปลงวันที่สองได้เห็นสมใจวันที่3ถึงเเข้าใจหลักรู้สภาวะธรรมวันที่10เปลี่ยนศาสนาวันที่1 1อถึงิออินซียสังวร สรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่ห้าเดือนที่6สำรวจความพร้อมองค์ประกอบทั้ง8ของมัควันที่หนึ่งความจริงที่อริยเจ้าสนใจวันที่ 5, สองถึงหสัมมาทิฏฐิวันที่6ถึงสิสัมมาสังกัปปะวันที่ 11-14 ถึงสิสัมมาวาจาวันที่ 15-17 ถึง สัมมากรรมันตะวันที่1 8ถึงยสอสัมมาอาชีวะวันที่2 2สถึง25สัมมาวายามะวันที่2 6ถึง28สัมมาสติวันที่2 9ถึงสสสัมมาสมาธิสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดบรรลุธรรมวันที่หนึ่งถึง การยอมรับความจริงแบบไม่แทรกแซงวันที่7เห็นนิพพานวันที่8ถึงส2สมถะและวิปัสสนาวันที่13รางวันที่หนึ่งวันที่14ถึง31นิมิตประจำตัวสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่7บทส่งท้ายมหาสติปัฐานสูตรประกอบด้วย กายานุปัสนาประกอบด้วยอาณาปานะบัพพะอิริยประทะบัพพะสัมปชัญญาบัพพะปฏิกูลมณสิการบัพพะทาตุมณสิการบัพพะนวศีวถิกาบัพพะเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาประกอบด้วยนิวรณะบัพพะ ขันธบพะอายตนะบพะโพชฌงคบัพะสัจจะบพะอานิสง์ของการเจริญสติปัฏฐาน